สบทว่าพุทธคตาสติความว่าสติของชนเหล่าใดปรารบพระพุทธคุณทั้งหลายอันตางด้วยคุณมีว่าอิติปิโสภะควาเป็นต้นใช่ไหมอิติปิโสภะควาแม้เพราะเหตุนี้แม้เพราะเหตุนี้พระผู้มีพระภาคนั้นเป็นพระอรหันใช่ไหมอรหังเป็นพระอรหันพระอรหันหมายความว่าผู้ไกลจากกิเลสกําจัดข่าศึกคือกิเลสหักเส่กามแห่งสังสารจักร เป็นผู้ไม่มีบาปในที่ลับเป็นผู้ที่ควรแก่ปัจจัยสี่เป็นต้นพระอรหันต์เนี่ยคือว่ามีคนพักดีพระองค์เนี่ยไม่ถูกคนดีทอดทิ้งและพระองค์ก็ไม่ถูกไม่ทอดทิ้งคนดีอย่างนี้ความหมายของคำว่าพระอรหันต์สามมาสัมพุโทโธเป็นผู้ที่ตรัสรู้อริยสัจอย่างดีเลยตรัสรู้นี้ทุกนี้ทุกขสมุทยัยนี้ทุกขนิโรดนี้ทุกขนิโร ธ, โรธาคามินีปฏิปทา แตสรู้อริยสัจนะถ้าเราไม่เอาคําว่าทุกเอาอย่างอื่นได้ไหมไม่ใช้คําว่าทุกได้ไหมได้เราใช้คําว่าจักขูก็ได้ตาใช่ไหมตาจักขุจักขุสมุทัยจักขุนิโรธจักขุนิโรธาคามินีปฏิปทาใช้อย่างนี้ก็ได้หรือว่าสีหรือรูปเนี่ยนะรูปรูปสมุทัยรูปนิโรธรูปนิโรธาคามินีปฏิปทาหรือจะใช้คําว่าจักขวิญญาณ จากรวิญ ญ, ญาณสมุทัยจญญญากรวิญญาณ น, นิโรธจากรวิญญาณนิโรธาคามินีปฏิปทาก็ได้หรือจะใช้คำว่าอาวิชาอาวิชาสมุทัยอวิชานิโรธอวิชานิโรธ า, า, าคามินีปฏิปทาหรือว่าสังขารสังขารสมุทัยสังขา น, นิโรธสังขา น, นิโรธาคามินีปฏิปทาก็ได้อันแต่ละส่วนนั้นสามารถที่จะสงเคราะห์ลงอริยสัจได้หมดเลยถ้าเรามีความรู้ความเข้าใจ อันสภาวะธรรมเหล่าใดเหล่าหนึ่งถ้าเรารู้ดีแล้วสามารถกระจายไปหากลุ่มอื่นหมวดอื่นก็ได้อันพระองค์เป็นสัมมาสัมพุทโธพระรู้อริยสัจเหล่านี้ด้วยพระองค์เองด้วยแล้วก็รู้โดยชอบรู้จริงๆด้วยเรียกว่าสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นนะนะซึ่งถ้าหากว่าท่านทั้งหลายมีโอกาสได้ศึกษาพุทธคุณมากเท่าไหร่เราก็จะทราบซึ่งในคุณของพระพุทธเจ้าว่าพระองค์นั้นทรงต ร, ร, รัสรูอรรสร้อะไรทรงบรรลุอะไร ก็บอกว่าผู้ที่ตามระลึกอยู่อย่างนี้เป็นต้นเกิดขึ้นอยู่มีอยู่ตลอดการเป็นนิดชนเหล่านั้นชื่อว่าตื่นอยู่ด้วยดีแม้ในการทุกเมื่อก็ชนเหล่านั้นเมื่อไม่อาจเพื่อกระทำอย่างนั้นได้ทำซึ่งพุทธานุสติไว้ในใจในวันหนึ่งสหรือสองเวลาหรือแม้เวลาเดียวก็ชื่อว่าตื่นอยู่เหมือนกันคล้ายๆกับว่ า, าถ้าได้ริงๆ ก, ก็สวดมนต์ก่อนนอนก็ยังดีตอนนี้ก็ตื่นนอนมาก็สวดมนต์สหน่อย บางคนเน no ี part, ่ยออกไปทำงานก็เอาไหว้พระก่อนอย่างเงี้ยก็คือทำด้วยความเข้าใจนะไม่ใช่ว่าเอาศักิ์แต่ว่าสวดเฉยแต่ว่ากล่าวคำว่าอรหังสัมมาสัมพุทโธพะควาอย่างไงี้ก็กล่าวด้วยความรู้ความเข้าใจจริงๆอย่างคำว่าอรหังคานี้บ่งถึงความเป็นผู้บริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้าสัมมาสัมพุทโธบ่งถึงความเป็นผู้มีปัญญาของพระพุทธเจ้าพะควาบ่งถึงความเป็นผู้ มีพระมหาการุณาที่คุณเอาย่อยๆอย่างนี้ก็ได้นะเราเวลาอรหังสัมมาสัมพุโทโธพระควาอย่างเงี้ยอารหังตัวนั้นเนี่ยบ่งถึงความบริสุทธิ์ของพระ อ, องค์สัมมาสัมพุโทโธบ่งถึงปัญญาของพระ อ, องค์พระควาเป็นบ่งถึงพระกรุณาของพระ อ, องค์เวลาสวดมนต์ก็นึกถึงคุณอันนี้ของพระ อ, องค์เราจะได้ใกล้ชิดพระ อ, องค์มากขึ้นอ้อสองบทว่าธรรมมคตาสติความว่า สติที่ปรารบพระธรรมคุณทั้งหลายอันต่างด้วยคุณมีสว่าขาโตพระกวาตาธรรมโมเป็นต้นอันเกิดขึ้นอยู่เหมือนเราสวดมนต์ว่าสวาขาโตพระวะตาธรรมโมอย่างเงี้ยสวาขาโตแปลว่าพระองค์เนี่ยทรงตรัสไว้ดีแล้วพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสไว้ดีแล้วนั้นก็คือพระปริยติธรรมพระอริยมรรคอริยผลและนิพพานอ่ะพระองค์พูดไว้ดีแล้วแสดงไว้ดีแล้ว จำแนกไว้ดีแล้วเปิดเผยไว้ดีแล้วแต่งตั้งเอาไว้ดีแล้วอันนี้ว่าเรากล่าวว่าสวากาโตพระกวาตาธรรมโณ น, นึกถึงพระธรรมคําสอนของพระองค์นึกถึงอริยมรรคอริยผลก็ได้นึกถึงพระธรรมที่พระองค์ทรงตรัสรู้พระองค์ตรัสรู้อะไรทรงแสดงอะไรข อ, อนอมนอ้อมแด่ธรรมนั้นแหละอ่า น, นะถ้าไหวไม่เป็นอ่านะอาจจะนึกว่าเออพระพุทธเจ้าทรงบรรลุอะไรแสดงอะไรประกาศอะไรข้าพเจ้าขอไหว้พระธรรมเหล่านั้นแหละ นี่เรียกว่าเป็นผู้ที่ตามระลึกนึกถึงพระธรรมสามารถที่จะระลึกบ่อยๆก็ได้สองบทว่าสังขคตาสติความว่าสติที่ปรารบพระสังฆคูนทั้งหลายอันต่างด้วยคูณมีสุปฏิปันโนพระควาโต ส, สาวกาสังโฆใช่ไหมสุปฏิปันโนปฏิปันโนแปลว่าปฏิปทาหรือเครื่องดำเนินหรือความปฏิบัติความปฏิบัติอันดีของท่าน ปฏิบัติอันดีดีด้วยศีละคุณท่านปฏิบัติดีด้วยสมาธิคุณท่านปฏิบัติดีด้วยปัญญาคุณจนถึงวิมุตติวิมุตติญาณทัศนคุณมผู้ที่ปฏิบัติอย่างสมมุติว่าใน ช, ชัช ก, กสูตรเนี่ยพระพุทธเจ้าแสดงแล้วก็มีพระสงฆ์ที่เป็นพระเถระเนี่ยบรรลุห0องค์อย่างเงี้ยคำว่าใน ช, ชัช ก, กสูตรสูตรนั้นแหละเป็นสวากาโตภควาตาธรรมโม ผู้ที่ปฏิบัติตามสูตรนั้นจนรู้แจ้งเห็นจริงมีความรู้สึกนึกคิดปฏิบัติตามนั้นแหละชื่อว่าพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าถ้าเราเข้าใจเรื่องนี้ดีนะทำให้เราเข้าใจอะไรต่อไปอีกได้ถ้าเราจะให้ทานเราก็สามารถที่จะนึกถึงความปฏิบัติเหล่านี้แล้วเราก็ให้ทานก็ได้เรียกว่าทําสังฆทานใช่ไหมปารภถึงความปฏิบัติ ด, ดีอย่างที่ว่าไปแล้วก็ให้ทานอย่างนี้ชื่อว่าเป็น สังฆทานใช่ไหมตื่นเช้ามาเวลาเราจะใส่บาตรเราก็ไม่เกี่ยงพระองค์ไหนใช่ไหมเรานึกถึงสังฆคุณอ่ะความปฏิบัติดีความปฏิบัติตรง ค, ความปฏิบัติชอบปฏิบัติธรรมสมควรแก่ทำอย่างนี้เราใส่บาตรใส่แม้แต่ของชิ้นเดียวเล็กๆนั้นก็ไปชื่อว่าเป็นสังฆทานด้วยนะให้น้ําแม้แต่แก้วเดียวก็ชื่อว่าเป็นสังฆทานเพราะประลบสังฆ ค, คุณแล้วให้ทานก็เลยเป็นสังฆทานเราไม่ได้เจาะจงองค์ใดองค์หนึ่งใช่ไหมองค์ไหนก็ได้ ้าหนมเนน้อยเนนเล็กเนเนลา ย, ย, ยให้หมดแหละคือแต่แต่ปารลบในคุณต่างๆเหล่านี้สังฆทานให้ยากไหมก็ไม่ยากเท่าไหร่นะ้าแต่คนนั้นต้องเข้าใจเรื่องสังฆคุณนะทำใจให้เสมอแล้วปารลบถึงสังฆคุณองค์ไหนมารับแทนก็ได้ก็เหมือนเราจะให้ให้ส่งพัสดุไปให้ญาติเราที่ไกลอ่ะนะใครมารับไปก็ได้ถ้าเขาส่งให้เราใช้ได้แล้วฉันในก็ดีเราเจริญสังให้สังฆทานเนี่ยนะ พระนมเนนน้อยใครมารับก็ได้แต่เราก็ปรารภสังฆคุณปรารภความปฏิบัติดีปฏิบัติตรงเป็นต้นโดยที่ไม่เจาะจงรูปใดรูปหนึ่งต่อไปสองบทว่ากายคตาสติความว่าสติอันเกิดขึ้นอยู่ด้วยสา ม, มารถแห่งอาการ32ด้วยสา ม, มารถแห่งการอยู่ในด้วยป่าช้าก้าวด้วยสา ม, มารถแห่งรูปประชานมีนีลกสินเป็นไปในภายในเป็นต้น คือเจริญกายยัคตาสติกายยัคตาสติเนี่ยเจริญยังไงเช่นผู้ที่กําหนดลมหายใจเข้าออกมากๆรู้เรื่องลมดีนี้ก็ชื่อว่ากายยคตาสติด้วยนะลมอานาปานาสติก็เป็นลมใช่ไหมเป็นลมก็นับเนื่องในกายลมหายใจเข้าหายใจออกก็นับเนื่องในกายก็เลยผู้ที่มีความรู้เรื่องนี้ดีเจริญอย่างนี้ก็ชื่อว่าเจริญกายยัคตาสติหรื อ, อเจริญ เอริยปะทะบับพระใช่ไหมหกำหนดเรื่องจิตชาวายโยธาเวลาจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนมีความรู้อันนี้ดีก็ชื่อว่ามีกายคตาสติหรือสัมปัชญะบาพระญญพหมวดว่าด้วยสัมปชัชญะใช่ไหมในที่เจ็สถานไม่ว่าจะเป็นการไปจะไปจะมาจะแลจะเลียวจะโคเข้าเหยียดออก จะนุ่งสบองส่งผ้าจีวรซ้อนสังขติจะฉันจะดื่มจะเคี้ยวจะลิ้มจะถ่ายอุจาระปัสสาวะพวกนี้นี่แล้วก็สงเคราะห์สัมปชัญญะทั้ง4ี่ลงไปแล้วก็มีการเจริญตามนี้มีการปฏิบัติตามนี้ก็ชื่อว่าเจริญกายคตาสติด้วยนะหรือว่าจะปารบถึงธาตุสี่ใช่ไหมธาตุสี่ธาตุดินธาตุน้ำธาตุดมธาตุไฟมีอยู่ในกายนี้ธาตุดินคือผมเป็นต้นธาตุไฟคืออันนะ ไฟที่ทําให้ร่างกายอบอุ่นเป็นต้นความรู้ความเข้าใจอันนี้ถ้าปารับ่อยๆก็เป็นการเจริญกายคตาสติหรือเจริญพวกอาการ32ใช่ไหมผมขนเล็บฟันหนังเนี่ยพิจารณาผมพิจารณายังไงพิจารณาโดยสีโดยกลิ่นโดยสันธานโดยโอกาสโดยปรเิเชศในผมอย่างเงี้ยในเล็บก็เหมือนกันโดยสีโดยสันธานโดยโอกาสโดยปรเิเชศนะถามว่าสีห้องผมเป็นยังไงเราก็รู้ใช่ไหม สีสีของผมแต่ละคนไม่เหมือนกันนะอันนี้โดยสีโดยสันฐานก็เรียวๆใช่ไหมแล้วโดยสันฐานโดยโอกาสผมเนี่ยตั้งอยู่ที่ไหนใช่ไหมผมตั้งอยู่ที่ศีรษะในส่วนบนของกายผมเนี่ยติดต่อระหว่างระหว่างอะไรหนังกับหัวกะโหลกศีรษะนะเส้นผมก็ตั้งอยู่แถวนั้นแหล ะ, ะเรียกว่าโดยโอกาส โดยปริเสธก็ตัดต่อคือระหว่างหนังกับผมเป็นต้นแล้วก็โดยกลิ่นน่ะกลิ่นของผมเป็นยังไงอันั้นก็พิจารณาโดยปฏิกูลโดยสีโดยสันฐานโดยกลิ่นอย่างใดอย่างหนึ่งขนก็เหมือนกันขนเนี่ยมีอยู่เกือบทุกคุ้มขนของร่างกายขนก็พิจารณาโดยปฏิกูลห้าอย่างเหมือนกันโดยสีโดยสันฐานโดยโอกาสโดยปริเฉธและโดยกลิ่น เล็บก็เหมือนกันโดยสีโดยสัมผัสโดยโอกาสโดยประเเฉดโดยกลิ่นยเงี้ยพิจารณาทั้ง3าอย่างบ่อยๆมากๆก็เชื่อว่าเจริญกายขัตตาสตินะโอกาสก็ตั้งอยู่ในส่วนไหนของกายนั่คเรียกว่าโอกาสจนาเอาเฉยๆมันก็เป็นได้ก็ช่างสะผมเนี่ย โ, โหเจริญกรรมฐ า, านตลอดเลยใช่ไหม ก็ไม่ใช่ถ้าเจริญกรรมฐานนี่ไม่ผิดศีลผิดธรรมนะถ้าจิตของผู้ที่เป็นไปกับกรรมฐานจริงๆจะเป็นต้องจิตที่เบาจิตที่อ่อนจิตที่ไม่ยากแล้วก็พิจรารณาซากศพโดยอาการต่างๆก็ได้ซากศพที่ตายแล้วหนึ่งวันสองวันสาวันซากศพที่ขึ้นอืดขึ้นพองอย่างนี้คุณมุนชูนี่คล่องเลยนะนึกเมื่อไหร่ก็ได้ยนะังไงถ้าปารลลักษณะนี้บ่อยๆก็ชื่อว่าการเจริญรายคตาสติด้วยนะ หรือว่าคนที่เจริญสามารถที่จะเจริญอาการ32เสร็จแล้วต่อด้วยกระสินได้ต่อได้ด้วยกระสินจนได้ฌานลักษณะนี้ก็เชื่อว่าเจริญกายคตาสติเหมือนกันคำว่ากายคตาสติเนี่ยกว้างมาก น, นะอนุสติ4ี่ใช่ไหมหนึ่พุทธานุสติ 2. ธรรมานุสติสสังคานุสติ4กายคตาสติกายคตาสตินะถ้าอะไรไม่ได้สักอย่างนะ เอาแบบนกแขกเต้าก็ยังดีอธิอธิ อ, ธ, อธิกระดูกกระดูกกระดูกก็ยังดีนะในในสติประธานสูตรเนี่ยนกแขกเต้าก็เจริญกายยัตาสติอะพิกษุนีท่านก็บอกว่านกเจ้าพุทธรคีตหมังนั้นเออเจ้าก็เป็นเดรัจฉานอยู่แล้วเจ้าอย่าประมาทนะเจริญกรรมาฐานบ้งางอัธิอธิท่องเลยกระดูกกระดูกกระดูกพิจารณากระดูกอย่างเดียวก็แล้วกันหมังนั้นนกแขกเต้าอะทีนี้วันหนึ่งเนี่ยเหี่ยวตัวงมาฉาบเอามาโฉบะนะ บินมามาชม เ, เจ้านกแขกเต้าเนี่ยไปด้วยพวกสำมเนรีอะเนรผู้หญิงอ่ะ น, นะก็วิ่งไล่เหยืยอก็ปล่อยพอเหยื่อตัวเนี้ยปล่อยนกแขกเต้าลงมาแล้วก็เอานกแขกเต้าไปให้ภิกษุณีดูเล่าให้ฟังภิกษุณีก็ถามว่านี่พุทธรักิตอ่าพุทธรักิตแปลว่าพุทธรักษานี่ยแหละพระพุทธเจ้ารักษานะพุทธรักิตแปลว่าพระพุทธเจ้ารักษาจะพุทธรักษานะเวลาเจ้า ถูกเยียวยโฉบไปเนี่ยเจ้าคิดยังไงก็บอกว่ามาได้คิดอย่างเดียวว่ากระดูกโฉบกระดูกไปกระดูกพากระดูกไปกระดูกไม่รู้จะเรี่ยไรอยู่ที่ไหนเออนกแขกเต่ายัางประเสริฐเลยนะยังสามารถเจริญกายยัตาสติได้ของเรายังไงยังไงก็ซู้นกแขกเต้าได้ก็ยังดีเอากระดูกไปก่อนแล้วกันถ้าจะไม่ไม่ไม่รู้จะเจริญยังไงอะ่ะกายยัตาสติใช่ไหมถ้าเจริญบ่อยๆมันก็มองเห็นชัดเลยนะหัวกระโหลกตั้งอยู่บน บนคอนะการกระดูกยิ่งสมัยใหม่เรียนเรื่องโครงกระดูกมาอย่างดีแล้วเรามองเห็นใครเราก็พิจารณาลักษณะนี้บ่อยๆก็เชื่อว่าเป็นการเจริญกายคตาสติด้วยนะคิดบ่อยๆอาท่านคิดบ่อยๆอย่างนี้มันก็ไม่สนุกหรอสิก็แล้วแต่ <c oughs> <c oughs> <c oughs> ก็ต้องเห็ น, ถ, หนถ้าเห็นโทษของบาปของอกุศลก็เจริญไปถ้าไม่เห็นโทษก็ยังว่ากรรมมุนาวัตติโลโกสัตว์โลกเป็นไปตามกรรมสัตว์ยังไงสัตว์น้ําก็มากกว่าสัตว์บกใช่ไหม สัตว์น้ายังไงก็มากกว่าสัตว์บกสัตว์บกเองเนี่ยนะเดรัจฉานมากกว่ามนุษย์มนุษย์เองก็เหมือนกันมนุษย์บ้านนอกก็มากกว่ามนุษย์ในเมืองมนุษย์ในเมืองก็ที่ได้เห็นผ้าอารยะก็น้อยกว่าไม่ได้เห็นที่ได้เห็นผ้าอารยะได้ได้ฟังธรรมก็น้อยกว่าไม่ได้ฟังธรรมที่ได้ฟังธรรมแล้วทรงจําไว้ได้ก็น้อยกว่านั้นอีกทรงจําไว้แล้วปฏิบัติตามก็น้อยปฏิบัติตามแล้วบรรลุผลก็น้อยบรรลุผลในชั้นสูงๆต่อไปก็ยิ่งน้อยไปเรื่อยๆอย่างเนี้นะอย่างไงอั่างบก ก็น้อยกษัตริย์น้ําอยู่แล้วทัานเราเนี่ยบกหรือน้ําต่อไปนะอหิงสาญาโตความว่ายินดีแล้วในกรุณาภาวนาอาหิงสานี่ก็คือไม่เบียดเบียนใช่ไหมก็คือในกรุณาภาวนาเจริญกรุณาภาวนาอันพระผู้มีพระภาคตรัสไว้อย่างนี้ว่าภิกษุนั้นมีใจสหรคตด้วยกรุณาแพรไปตลอดทิศหนึ่งอยู่ก็คือเจริญกรุณามองเห็นว่า เราเคยเห็นใครที่เราสงสารที่สุดเลยเห็นแล้วก็หน้าสงสารที่สุดเช่นคนกระรุง่งกระริ่งพร้อมจนโรคภัยไขย้เจ็บเนี่ยเต็มตัวไปหมดเห็นแล้วสงสารที่สุดจับใจนะแล้วเราก็เจริญความสงสารอันนี้ไปหาคนอื่นๆเจริญความเห็นใจอันนี้มากๆแผ่ไปในทิศข้างหน้าทิศข้างทิศ ท, ท, ที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่ทิศเบื้องบนเบื้องล่างเบื้องขวางไม่คบแคบไม่มีเวร เจริญลักษณะนี้แหะเรียกว่าเจริญกรุณากรุณาพรห ม, มิหารอย่างนี้น่าจะเจริญได้นะเราเคยสงสารใครบ้างไหมเห็นว่าโอ้โหน่าสงสารที่สุดเลยแล้วก็เจริญความสงสารอันนี้ไปหากรรษระสับทั้งหลายนั่นแหละบทว่าภาวนายะได้แก่เมตตาภาวนาจริงอยู่ภาวนาที่เหลือแม้ทั้งหมดพระผู้มีพระภาคทรงประสาวประสงค์เอาในบทว่าภาวนานี้เพราะความที่กรุณาภาวนาพระองค์ตรัสไปแล้วในหนหลังโดยแม้โดยแท้ถึงดังนั้น เมตตาภาวนาเท่านั้นทรงประสงค์เอาในบทว่าภาวนาก็คือผู้ที่เจริญเมตตาภาวนาบ่อยๆผู้นั้นก็ชื่อว่าเป็นสาวกของพระโคดมเติรนอยู่แล้วด้วยดีในการทุกเมื่อไวเจริญหอย่างนี้นะท่านกล่าวว่าจิตของคนที่อบรมในฐานะหอย่างนี้มากๆจิต ด, ด้วยการรักษาการป้องกันอย่างอื่นหรือด้วยมนด้วยโอสถนะไม่ต้องไปใช้เวทมนต์คาถาหรอก เจริญอย่างนี้มากๆเข้าเนี่ยสบายแล้วใช่ไหมพูดผีปีศาจไม่ได้เล่นงานหรอกไม่ได้แอมแต่ก็ต้องเจริญให้มันเจ๋งๆหน่อยนะไม่ใช่ก็ท่องแค่ท่องกันผีเฉยๆก็ไม่ใช่อีกนะมันก็ต้องเจริญให้เจ๋งๆแล้วก็อย่างนี้เนี่ยก็สามารถที่จะป้องกันภัยได้เป็นคุณชาติที่สามารถรักษาได้ในเวลาที่พระ อ, องค์จบเทศนานิทารกนั้นก็ดำรงอยู่ในโสดาปฏิผลอ์เด็กคนนี้ฟังแล้วเป็นพระโสดาบันเลยนะ เด็กที่เล่นคลุบนะโมพุทธสระเนี่ยพูดอย่างงี้บ่อยๆสังสมในเรื่องนี้มากๆพระองค์แสดงสูตรนี้บรรลุเป็นพระโสดาบันพ ร, บรพร้อมด้วยบิดาและมารดาพ่อแม่ก็บรรลุเหมือนกันคืออย่าไปนี่นะว่าจริงๆเขาฟังทำมาก่อนนั้นเยอะแล้วไม่ใช่มาฟังครั้งเดียวแล้วบรรลุเลยไม่ใช่อย่างนั้นเขาฟังมาหลายรอบหลายสิบเที่ยวแล้วละ่ะบ้านอยู่ใกล้วัดก็ตามบุญตักบาตรฟังธรรมเขามีจัดฟังบ่อยในสมัยนั้นก็มีแต่พระอริยเจ้าท่านแสดงธรรมด้วย สะสมนี้มานานพอพระ อ, องค์เนี่ยรู้อัธยาศัยพระองค์ก็แสดงก็บรรลุเลยครั้นภายหลังชนแม้ทั้งหมดนะทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งลูกเนี่ยก็บวชบวชแล้วก็บรรลุเป็นพระอระหันต์ใช่ไหมบวชแล้วเป็นพระอระหันต์กันหมดเลยเทศนานี้ได้มีประโยชน์แก่ประชุมชนกันแล้วดังนี้แหลนี้ก็เป็นลักษณะของผู้ที่มีสัมมาทิฏฐิที่เลื่อมใสในวัตถุทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้นนั่นแหละ ผู้ที่มีความรู้ความเลื่อมใสในลักษณะนี้ก็ชื่อว่าเป็นการถึงไตรสรณคม ท, ที่ถูกต้องที่สมบูรณ์เพราะว่าไตรสรณคมเหล่านั้นเนี่ยเป็นไปเพื่อการรู้แจ้งอริยสัจของเขาเป็นไปเพื่อรบรรลุโสดาบันทั้นการบรรุโสดาบันนั้นก็คือผู้ที่รู้แจ้งอริยสัจครั้งแรกหรืออย่างอีกเรื่องหนึ่งนะในลักษณะของผู้ที่มีศรัทธาอย่างเช่นในเรื่องของปันจักขะทายกพราหมณ์ ในพิกุวักคาถาธรรมบทเหมือนกันพระษาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงป่ารบพรามชื่อว่าปัญจักขทายกตรัพะธรรมเทศนานี้ว่าสัพพโซนามารูปสมิงเป็นต้นปัญจะนี้แปลว่าห้าใช่ไหมอัคคะแปลว่าเลิศทายกก็คือผู้ให้ผู้ให้ที่เลิศในที่ห้าแห่งว่างั้นเถอะ ดังได้สดับมาพราหมณ์นั้นย่อมถวายทานชื่อว่าเขตตะขะในเวลานาข้าวกล้าอันตนเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนั่นแหละพอเก็บเกี่ยวเสร็จปั๊บ ถ, ถวายทานที่เลิศเลยอย่างงี้หนึ่งนะเลิศที่หนึ่งสองในเวลาขนข้าว ข, ข, ข้าวลานก็ถวายชื่อว่าคละคะนะเวลาขนข้าวข้าวลานก็ถวายเลิศอีกครั้งหนึ่งในเวลานวดก็ถวายทานชื่อว่าคาะพันตะคะนะเวลานวดนะนั สมัยนี้มันนวดเร็วนะใช้รถคืนเดียวนี่เรียบร้อยในเวลาเอาเข้าวสารลงหม้อก็ถวายทานชื่อว่าอุคลิกกะขะในเวลาที่คดข้าวใสภ า, าชนะก็ถวายทานชื่อว่าปาติค ะ, ขะพรามนั้นถวายทานอันเลิศทั้งหอย่างนี้ก็คือสรุปนะก็คือทานเลิศในนาทานเลิศในลานทานอันเลิศในคราวนวดทานอันเลิศในคราวข้าวสารลงหม้อข้าว แล้วก็ในคราวคดข้าวสุกสัยภาชนะห้าอย่างพรามนั้นชื่อว่ายังไม่ได้ให้แก่ปฏิคาหกผู้ที่มาถึงแล้วย่อมไม่บริโภค น, นะคนนี้เนี่ยพิเศษมังนั้นไม่ให้ก่อนไม่กินคือถ้ามีคนพอที่จะรับได้อะถ้าไม่ได้ให้ก่อนไม่ทานเพราะเหตุนั้นเขาจึงชื่อว่าปัจจคทายกครั้งนั้นพระศาสดาก็เล็งเห็นอุปนิสัยแห่งผลสามของ พรามนั้นองค์เนี่ยตรวจดูแต่ชารู้ว่าพรามนี้จะได้บรรลุผลที่สามผลที่สามก็คืออนาคามีผลใช่ไหมโสดาปฏิผลชื่อว่าผลที่หนึ่งสกะธาคามีผลชื่อว่าผลที่สองอนาคามีผลชื่อว่าผลที่สามอรหัตผลชื่อว่าผลที่สี่หรือว่าผลอันเลิศอัคคะผลอ่ะอัคคะผลก็คือผลอันเลิศได้แก่อรหัตผล ทีนี้พระ อ, องค์ทรงเห็นอุปนิสัยที่จะบรรลุเป็นพระอนาคามีทั้งพราหมและพรามณีของเขาทั้งสามีและภรรยาจึงได้เสด็จไปในเวลาบริโภคของพราหมแล้วประทับยืนอยู่ที่ประตูแม้พราหมนั้นก็บ่ายหน้าไปภายในเรือนนั่งบริโภคอยู่ที่หน้าประตูเขาไม่เห็นภษาสดาผู้ประทับยืนอยู่ที่ประตูคือเวลานั่งทานอาหารเนี่ยเขานั่งหันหน้าเข้าบ้านใช่ไห หันหลังออกนอกประตูอย่างเงี้ยพระพุทธเจ้าเดินผ่านมาก็ไม่เห็นส่วนนางพรามณีภรรยาของเขากำลังเลี้ยงดูเขาอยู่ภรรยาเป็นคนคอยบริการเรื่องกับข้าวกับปลาเงี้ยเห็นพระศาสดาก็เลยคิดว่าพรามนี้ถวายทานอันเลิศในฐานะทั้งห้าก่อนแล้วเจึงบริโภคบัดนี้พระสมณะโคดมเสด็จมาประทับยืนอยู่ที่ประตูก็ถ้าว่าพรามนั้นเห็นพระสมณะโคดมนี้แล้ว จักนำพัดของตนไปถวายเราก็ไม่อาจาเพื่อจะหงต้มให้เขาอีกโอ้ยอย่าให้คือเมียเนี่ยไม่อยากให้ผัวนี่เห็นพระเลยเห็นแล้วต้องให้ทานโอ้ขี้เกียดหงต้มอ่ะนะต้องไปหงต้มให้ใหม่อีกเพราะว่าสามีเป็นคนแปลกว่าถ้าไม่ให้ก่อนไม่ทานอะ่ะเดี๋ยวเหนื่อยเราอีกนางก็เลยคิดว่าพรามนี้จักไม่เห็นพระโคโดมด้วยอาการอย่างนี้เดี๋ยวจะเดี๋ยวเราต้องหาเรื่องไม่ให้พรามเนี่ยเห็นพระ ก็จึงหันหลังให้พระพุทธเจ้าได้ยืนก้มลงบังพระศาสดาเอาไว้ข้างหลังของพราหมณ์นั่นแหละไปบังเอาไว้ไม่ให้พราหมณ์มองเห็นพระพุทธเจ้าได้ก็ที่จริงนางไปทําอย่างนั้นก็เหมือนกับเอามือเนี่ยไปปิดพระจันทร์อ่ะนะมันจะไปปิดมิดได้ยังไงเอามือปิดพระจันทร์ไว้ไม่ให้เห็นพระจันทร์อ่ะนางพราหมณีนั้นยืนอยู่อย่างนั้นนั่นแหละแล้วก็ชำเลืองดูพระศาสดาด้วยหางตาดูนี่ไปหรือยังไปหรือยัง ไม่อยากให้ผัวเห็นน่ยนะผัวเห็นเนี่นะนนต้องหงใหม่อีกลําบากก็เลยคิดว่าภาษาสดาเป็ดสเสด็จไปแล้วหรือยังภาษาสดาก็ประทับยืนอยู่ที่เดิมนั่นแหละส่วนนางพรามก็ไม่ได้พูดว่านิมน์ไปโปรดสัตว์ข้างหน้าเธอไม่กล้าพูดใช่ไหมกลัวพรามจะได้ยินจะบอกว่านีมนไปโปรดสัตว์ข้างหน้าก่อนเธออย่างนี้นะบ้านนี้ไม่ว่างก็ไม่กล้าพูดเดี๋ยวผัวได้ยินนะ่ะยุ่งเลย ก็นางก็ค่อยๆถอยถอยถอยถอยออกไปใช่ไหมแล้วค่อยๆพูดค่อยๆวันนิมนไปโปรสัตว์ข้างหน้าเธออย่างงี้ยนะพูดดังเดี๋ยวผัวได้ยินนิดนะพระศาสดาก็เลยสั่นพระเศียรพระองค์ก็สายหน้านะด้วยอาการแสดงว่าเราไม่ไปแปลว่าสั่นหัวนิดๆไม่ไปเมื่อพระพุทธเจ้าที่เคารพของโลกสั่นพระเศียรด้วยอาการอันนั้นก็แสดงว่าเราไม่ไปนางก็ไม่อาจอด ก, กลั้นไว้ได้นะเห็นแล้วก็ขำ บอกนีม่มวยปายก็เสียงค่อยๆมวยตายอีกพระองศาหัวตานหัวปั๊บนางก็หัวเราะนะขับมาอดขับไม่ได้ก็เลยหัวเราะดังลั่นขึ้นขณะนั้นพระาศาสดาก็เปล่งรัศมีไปยังเรือนแม้พราหมณ์ก็นั่งหันหลังให้แล้วนั่นแหละได้เย็นเสียงหัวเราะของพรามณีเอ้เมียหัวเราะ อ, อะไรสงสัยแล้วก็มองเห็นแสงสว่างแห่งพระรัศมีมีวันณะหประการจึงได้เห็นพระาศาสดา ธรรมดาว่าพระพุทธเจ้าทั้งหลายเนี่ยยังไม่ได้ทรงแสดงพระองค์แก่ชนทั้งหลายพูดถึงพร้อมด้วยเหตุคือถึงพร้อมด้วยเหตุก็คือคนนั้นเนี่ยเขาทําบุญมามากแล้วนะพอที่จะบรรลุทําได้เนี่ยถ้าหากว่าพระองค์ไม่แสดงให้เห็นก่อนในบ้านในป่าพระองค์ก็ย่อมไม่เสด็จหลีกไปคือหมายว่าถ้าจะไปโปรดใครนะถ้าไม่สาเร็จงานเนี่ยไม่กลับยังไงก็ไม่กลับนะจะไปจะต้องแสดงทําให้เขาบรรลุก่อนพระองค์จึงไป แม่พราหม์เห็นพระศาสดาแล้วจึงพูดว่านางผู้เจริญหล่อนไม่บอกพระรา ช, ชบดผู้เสด็จมาประทับยืนอยู่ที่ประตูแก่เราให้เราชีพหายเสียแล้วหล่อนเนี่ยทำกรรมหนักเพรางนั้นเธอเนี่ยทำบาปมากแล้วนะ <c oughs> แม่ไม่บอกเลยอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็ถือเอาภาชนะแห่งโภชนะที่ตนบริโภคแล้วครึ่งหนึ่งพอดีฐานเหลือฐานเหลือครึ่งหนึ่งเลยในฐานในถาด ก็ S 1> <S 1> เลยถือไอ้ครึ่งหนึ่งนั่นแหละเข้าไปยังสำนักของพระศา ส, า ส, า ส, า ส, าสาดากราบทูลว่าข้าแต่พระโคโดมผู้เจริญข้าพระองค์ถวายทานอันเลิศในฐานะทั้ง5้าแล้วจึงบริโภคส่วนแห่งพัดส่วนหนึ่งเท่านั้นอันข้าพระองค์แบ่งครึ่งนี้แบ่งครึ่งจากส่วนนี้บริโภคคือกําลังบริโภคได้ครึ่งหนึ่งว่างั้นเถะเหลืออีกครึ่งหนึ่ง ส่วนพัด ท, ที่ยังเหลืออยู่เนี่ยขอพระองค์โปรดรับพัดนี้ส่วนนี้ของข้าพระองค์ด้วยเถอมหงไม่ทันแล้วนะเหลือครึ่งหนึ่งนิมนต์รับหน่อย